ในดินแดนของประเทศมานะก็เป็ น, ด, นดินแดนของพุทธศาสนาแห่งหนึ่งที่มีความรุ่งเรือนมาตราในดีแล้วก็มีเขาโพงความเจริญรุ่งเรืองยังปรากฏอยู่ในทุกวันนี้ในรูปของวัตถุสิ่งกอ่อสร้างนะแล้วก็ในรูปของการเรียนปริยัตธรรมต่างๆกันนะแล้วมีการปฏิบัติธรรมกันอยู่ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ชาวพูดก็ควรจะดําเนินในแนวนี้นะก็คือจริงๆแล้วการก่อสร้างหรือว่าอะไรทั้งหลายแหลนะก็มันก็มาสรุปเข้ามาดูภายในเท่านั้นเองเพราะว่าการก่อสร้างก็เป็นเพียงภายนอกนะเราไปไหว้ไปกราบก็เป็นแค่ภายนอกแต่จริงๆแล้วพระพุทธเจ้าก็ให้เข้ามาดูภายในของเรา ถ้าเรายังเข้ามาไม่ถึงภายในนะไปเที่ยวขอสร้างหรือไปดูในสิ่งขอสร้างไปกราบในสิ่งขอสร้างก็ยังประโยชน์น้อยเหมือนอธิฟรังหรือคนเยอเซียประเทศอื่นๆไปเที่ยวกัน ก, ก็ได้ประโยชน์แค่ไปไปกราบไปไหว้เท่านั้นเองหรือว่าไปชมสถานที่เท่านั้นเองซึ่งประโยชน์ก็มีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเพียงแค่ไปทัศนาจรแต่ถ้าเราไปเราไปสังเกตูปพระพุทธเจ้ามีความสวยงาม เราก็จะเกิดความปิติยินดีใจนะแล้วก็น้อมระลึกถึงคุณพระทเจ้าที่ท่านแสดงธรรมเอาไว้แก่พวกเราแล้วก็น้อมใจของเราให้เห็นถึงสตรธรรมก็คือความเป็นอนิจจังทุกขังนักตาในสิ่งก่อสร้ า, างต่างๆ ท, ที่ปรากฏขึ้นหรือในสถานที่ต่างๆ ท, ท, ที่เราก็เลยเห็นอยู่ว่าบางแห่งอย่างเช่นเมื่อวานนี้ก็มีเจดีย์ใหญ่ที่พังทลายลงมาพุท แผ่นดินไหวเห็นพราว่าเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนอันนั้นก็คือหลักความจริงในทุกอย่างว่า <c oughs> มีแต่ความเป็นนิจจังเท่านั้นเองนิจจังแล้วสิ่งก่อสร้างนั้นก็ยังอยู่ไปเรื่อยๆนั่นแหละไม่ได้หายไปไหนแม้ว่าเราจะจากโลกนี้ไปแล้วสิ่งเหล่านั้นก็ยังอยู่เพราะว่าสิ่งเหล่านั้นจะมีความถาวรในทางวัตถุมากกว่าเรานะ <c oughs> เราก็อยู่ไม่นานหรอก ใช่ร่างกายเราอยู่ได้ไม่เกินก็ร้อยปีหรือนะจริงๆแล้วเราอาจจะอยู่ไม่เกินหกสิบเจ็ดสิบปีซะด้วยนะมันก็ต้องผุพังเร็วว่าวัตถุอีกนะอันนี้ถ้าเรากลับมาย้อนตรงนี้เราก็จะได้กลับมาเห็นตัวเรานี่มันก็อยู่ไม่นานนะอยู่ไม่นานวัตถุต่างเรานี่ก็กลับอยู่ได้นานกว่าเราเนี่ยเราจะได้ไม่ประมาทในตรงนี้กลับมาย้อนเข้ามาดูภายในเราทุกๆครั้งนะ จะได้เห็นสิ่งต่างๆในใจของเราที่ปรากฏขึ้นในแต่ละขณะแต่ละขณะก็จริงๆแล้วการไปบัติธรรมนี้เราจะไปหวังผลจากการไปรบัติที่จะไปเอาอะไรไม่ได้เลยไปหวังที่จะให้เกิดอะไรถาวรมันก็ไม่ได้ให้เกิดสีสมาธิปัญญาความรู้สึกตัวสติให้มันถาวรมันเป็นไปไม่ได้หรอกแต่เสียงต่างๆมันแค่เกิดแต่ละขณะขณนะเท่านั้นเองแล้วมันก็ดับไปหายไป เพระนั้นเราจะไปหวังอะไรกับการที่จะแปลออกจากการปฏิบัติเนี่ไม่ได้นะมันเป็นการแสดงให้เห็นในจังทุกขันาตาอยู่แล้วเพราะว่ามันเกิดแล้วมันกระดักไปเรื่อยๆแต่สิ่งเราต้องรู้ทันก็นคือการในจริงเราเนี่ยสามารถที่จะคลายอารมณ์ต่างๆได้เร็วไหมไม่ยึดติดอารมณ์ต่างๆได้เร็วไหมการคลายการไม่ยึดติดการไม่ยึดมั่นถือมันนั่นแหละก็คือเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะ เข้าใจมันได้ชัดเจนขึ้นยิ่งกว่าลมทั้งหลายนะเราจะเห็นในสิ่งเหล่านี้ว่าเออมันก็อยู่แล้วก็ไม่นานนะรมต่างๆก็อยู่แล้วไม่นานก็คือเราก็สามารถคลายมันออกไปได้ไม่ได้อยู่กับเขานะก็คือการรู้แล้วก็ทิ้งแล้วก็วางไปนั่นเองนะรู้แล้วก็ทิ้งแล้วก็วางอันนี้เป็นคนทางที่ง่ายๆเพราะเราไม่ได้ปฏิบัติอะไรเราเพียงแค่รู้นะเราก็เห็นแล้วก็วางไปนะ ถ้าเราไปหวังสิ่งต่างในการปฏิบัติมันก็ไม่เที่ยงอย่างที่ว่ามันก็มีขึ้นขึ้นล ง, ลงๆเกิดเกิดดับๆนะเพราะฉะนั้นเราจะหวังการปฏิบัติอะไรไม่ได้นะการเพียงแต่เราสามารถรู้นะรู้วอาลมของเรานะแล้วก็วางลมของเราได้เร็วก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะตอนนี้เป็นการคลายความยึดติดในสิ่งต่างออกไปได้อย่างรวดเร็ว ถ้าเราเข้าใจวิธีเนี้ยอารมณ์ ต, ต่างๆก็จะไม่อยู่ในใจของเราได้นานนะพราะเราจะเริ่มเห็นสภาวะธรรมที่มันเกิดขึ้นไม่บ่อยเกิดแล้วมันก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปในสภาวะจิตของเรานั่นเองเราก็จะเข้าใจจิตของเราได้มากขึ้นมันก็ไม่เป็นที่อยู่ของอารมณ์ทั้งหลายแหละเพราะว่าใครที่มีอารมณ์มากนั่นแหละก็คือมีความทุกข์มากนะผู้ที่มีอารมณ์มากเกิดจากการไปย้ำคิดย้ำทำ ไปยึดติดในอารมณ์พวกนั้นมันก็ไม่ปล่อยนะอารมณ์พวกนี้ก็เกิดจากการที่เราฝึกรู้แล้วก็ปล่อยแล้วก็คลายไปเท่านั้นเองจะไปนะไปยุ่งเกี่ยวกับเขาไม่ได้นะเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็ความทุกข์เร า, าก็น้อยลงไปมากเลยนะในโดยโทั่วลงไปเราก็มาเข้าใจสังขารอีกทีหนึงนะสังขารนี่ก็เป็นเครื่องประกอบของเรา สังขารก็คือสองอย่างคือสังขารในเรื่องร่างกายและในเรื่องจิตใจนะสังขารก็คือสภาวะความปรุงแต่งในร่างกายก็มีความปรุงแต่งอยู่หลายหลาอย่างนะความปรุงแต่งในทางร่างกายนยก็มีส่วนประกอบมากมายนะเนื้อหนังเอ็นกระดูกหัวใจตับ ม, ม้ามอาหารใหม่อาหารเก่าผมขนและฟันหนังอันนี้ก็คือ สภาวะของสังขารก็คือความปรุงแต่งของถาดินน้มไฟก็มาประกอบกันชั่วคราวก็เป็นสังขารในสภาวะนี้เราก็เข้าใจไปตามความเป็นจริงนะถึงความที่ของเขาเป็นไปแบบนั้นเองนะก็ไม่ไปยึด ต, ติดเพราะนั้นที่เรามีลักษณะส8แตกกันก็คือในข้อนาจะคีตาวาก็คือข้อที่เราไม่ไปปรุงแต่งในตรงนี้ให้มากขึ้นไปนะไม่ไป ตกแต่งเขาให้ผิดปกติให้เขาสวยงามให้เขาอะไรเพราะนั่นก็คือความที่เราติดในสังขารนั่นเองนะก็เป็นการที่เราปล่อยวางสังขารไปตามความเป็นจริงนะเมื่อเราเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเสียงต่างในทั้งโลกก็จะทาอะไรเราไม่ได้นะไม่ว่าจะเป็นโฆษณาอะไรต่างๆตรงนี้ผลิตภัณฑ์เครื่องสวยงามทำให้เราใช้เราจะสวยงามกว่าตื่นเขาใช้แล้วเราจะดูแล้วมี สิ่งต่างๆที่ดีเด่นกว่าคนอื่นเขาอันนั้นก็เป็นเครื่องส่งเสริมสายตาเราสูงขึ้นไปทั้งนั้นนะเพราะนั้นเราก็เข้าใจสังขารไปตามความเป็จริงนะเพียงแต่เราบำรุงรักษาเขาไปตามสภาวะเท่านั้นเองซึ่งเขาก็พร้อมที่จะ เ, เสื่อมไปตลอดเวลาอยู่แล้วนะเราบังคับเขไม่ได้เขาทานอาหารนี้ไม่ถูกต้องเขาก็ทําให้เรามีความทุกข์ทานมากไปก็ทุกข์ทานน้อยไปก็ทุกข์นะเดี๋ยวก็ท้องเสียเดี๋ยวก็เป็นแบบรูปแบบนี้เดี๋ยวก็หิวนะ มันก็สแสดงอาการของสังหารเขาให้เราเห็นอยู่แล้วเราก็เขาา้เขาใจเข้าใจเข้าใจต่างความเป็นจริงอย่าไปติดไปยึดเขาแต่เราก็ต้องเข้าใจในตรงนี้ว่าเขาเสื่อมไปทุกวันนะแล้วก็อยู่กับเราไม่นานอยู่กับเราไม่เกินเจ็ดนสะิบแปดสิบปีเขาก็จากเราไปแล้วเนะี่ยเราเพียงแต่อยู่กับเขาเหมือนกับเป็นเสื้อผ้าที่เราไปใส่สวมอยู่เท่านั้นเองนะในสุดเราก็ต้องถอดออกมา หรือเหมือนกับเป็นอุญยน์สักยางหนึ่งที่เราไปเอาใส่เขาอยู่แล้วก็ไม่ยึดติดในตรงนี้นะสังขารของเราเราก็ไม่ยึดติดพอเราก็เห็นตามความเป็นจริงแล้วเพราะฉะนั้นสังขารคนอื่นเราก็ไม่ยึดติดด้วยไม่ใช่เราไปไม่ยึดสังขารเราเองแต่ไปยึดสังขารคนอื่นแล้วก็ไม่ถูกต้องอยู่ดีนะท่า น, นี้เราต้องเข้าใจความยึดติดในจิตของเราให้ถูกต้อง ก็คือไม่ไม่ยึดติดทั้งตัวเราเองและไม่ยึดติดทั้งผู้อื่ น, น, นไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ซึ่งมันเราเสียเวลาในการเดินทางทั้งนั้นนะยิ่งยึดติดใครก็ยิ่งเสียเวลาเดินทางมากมันก็ไม่ได้ไประโยชน์อะไรนะเพราะมันก็เหมือนเหมือนกันหมดนะดินน้ำรถไปเหมือนกันหมดยึดไปก็ไม่ได้ไประโยชน์อะไรนะไม่ว่าคนนั้นจะสวยงามหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มันก็เป็นแค่าภายนอกเท่งนั้นเองนะเมืนะ่อรอบ หนังออกไปหมดแล้วลอกหนังแค่ชั้นเดียวมันก็กลายเป็นน่าเกลียดไปทันทะีจึงไม่ควรจะไปติดในสังขารของตัวเองและผู้อื่นในสังขารในด้านจิตใจคือเหมือนกันนะมันเป็นสภาวะความปรุงแต่งนะความปรุงแต่งไปในรูปต่างๆยินดีร้ายก็เรียกว่าเป็นเวทนานะยินดีตุกเวทนายินร้ายก็ทุกเวทนาไม่ยินดีไม่ร้ายก็อาจทุกข์มาสุกเวทนามันก็จะเกิดในสิ่งเหล่านี้ทั้งวันนะเราก็รู้ทันไป ถึงความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นักาตาของสังขารในพวกนี้ให้ไดนะ้ก็จะเห็นว่าสังขารมันก็อยู่ส่วนหนึ่งนะจิตใจเราอยู่ส่วนหนึ่งไม่ได้ประกอบกันนะมันแค่มาชั่วคราวเจะได้ว่าเป็นอาการของจิตเท่านั้นเองนะถ้าเราเห็นว่าเป็นอาการของจิตมันก็ง่ายแล้วก็คือเราจะสังเกตจิติตของเราได้ง่ายที่มันจะไหลไ ป, ไปตามลมต่างๆเมื่อไหลไปเราก็รู้ทันก็กลับมาเ ป, ไ ป, ไป็นปกติได้ทุกครั้งมั่นเองนะ มันเป็นปกติัแหละก็คืออความไม่ไปยึดมั่นในกรงแต่งในสิ่งต่างๆจิตก็จะเป็นกลางๆได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเรามีอารมณ์อะไรก็แสดงได้นะไม่ต้องไปเก็บกดเพียงแต่เรารู้ไปทางความจริงว่าอารมณ์เหล่านี้มันมาแล้วก็ไปชั่วคราวเท่านั้นเองนะมันไปบังคับเขาไม่ได้แ้าไปบังคับนั่นแหละมันเป็นการก็ เ, เรียกว่าเป็นการเจริญสมถะเป็นการบังคับให้เขาผิดความเป็นจริง หรือไปตั้งใจมากเกินไปมันก็เป็นการผิดความเป็นจริงเพราะจิตใจคนเรามันจะไม่ตั้งมันอยู่ได้นานหรอกมันจะไหลไปไหลามาอยู่เรื่อยๆอันนี้ก็คือความจริงของสังขารในด้านจิตใจที่เราต้องรู้ทันในสิ่งเหล่านี้เมื่อรู้ทันแล้วเราก็ปล่อยเข้าไปเรื่อยๆสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้เรามีความทุกข์ไม่ได้ต่อไปนะสังเกตความปงต่งให้ได้ทั้งวันนะ ความมุ่งแต่งแล้วมาในลมต่างๆที่เกิดขึ้นเนะี่ยมันก็จะทานอารมณ์เลยมากขึ้นนะชีวิตของเราในจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรหรอกนะมีแต่อารมณ์เท่านั้นเกิดขึ้นอารมณ์เท่านั้นตั้งอยู่แลอารมณ์เท่านั้นที่ถับไปนะถ้าเราโคจตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะเพราะอารมณ์ล่านี้มันจริงๆมันก็ไม่มีอะไรเลยนะผ่านไปผ่านมาเท่านั้นเองนะถ้าเราเพไปมยึดติดมันก็ไม่อยู่กับเราหรอกนะแต่เมื่อไรเราไปให้ค่ามุกบุกก็จะอยู่กับเราทันทีนะ อังเกนในตรงนี้ให้ชัดๆเนี่ยเป็นการกลับมาลู่ภายในทุกๆครั้งนะถ้าลู่ภายในแล้วเนี่ยภายนอกมันจะเห็นได้ชัดเจนชัดเจนมากขึ้นนะมันที่หลวงพเทวบอกว่ามันก็เราอยู่ปากถ้ำนี่แหละการปฏิบัติก็คืออยู่ปากถ้ำเห็นทั้งภายในถ้ำและภายนอกถ้ำนะถ้าเราเห็นภายในถ้ำภายนอกแล้วก็เห็นชัดเห็นทั้งภายในภายนอกนะกิเลสมันก็เข้ามาในใจเราไม่ได้หรอกใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่เห็นภายในไม่เห็นภายนอกมันก็เข้ามาได้หมดนะ เราต้องรู้ทั้งภายในภายนอกให้ชัดเจนนะลืมตาก็เห็นภายนอก <c oughs> เห็นภายนอกก็กลับมาย้อนก็ดูในจิตใจได้ดูทุกทางด้วยนะหูได้ยินเสียงภายนอกก็กลับมาอยู่รู้ทันจิตใจภายในได้ดูทุกทางเนี่ยนะใหยมันเป็นหนทางงการออกจากทุกข์ได้นะแลการที่เรามาปฏิบัติ ร, รมก็คือให้กิเลสในใจเราเนี่ยลดลงไปเรื่อยๆนะลดลงไปเรื่อยๆสังเกตจิตใจของเรานะมีความ นะมีความโลภเกิดขึ้นมากไหมนะบางทีการมาเที่ยวหรืออะไรทัร้งหลายเราจะเห็นได้ตรงนี้ชัดแต่ในดินแดนแห่งนี้มันไม่ค่อยมีอะไรที่มันล่ อ, อเรามากนะแต่ถ้า ไ, ไปในบางประเทศจะมีอยู่เยอะนะเขาจะมาให้เราเห็นความโลภตรงนี้ได้ชัดเจนนะถ้าเรามีปัจจัยเราก็จะซื้อได้อย่างรวดเร็วเนะพราะเราสนองกิเลสเราได้รวดเร็วแต่ถ้าเรามีไม่มีปัจจัยเราก็จะสนองไม่ได้มันจะเห็นตรงนี้ได้ชัดขึ้นนะ อันนี้เราก็ต้องมีสติในตรงนี้ถึงแม้ว่าอยาจะสนองกิเลสเร็วแต่ต้องมีสติรู้ทันก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าสนองกิเลสเร็วโดยที่ไม่มีสติรูท้ทันอันนี้นก็ชือว่าเราหลงไปแล้วนะเราก็ไม่ไม่ทันกิเลสของเราเพราะฉะนั้นเราจะซื้ออะไรก็แล้วแต่ก <c oughs> ็ต้องสังเกตให้ทันความโลภในตรงนี้ด้วยนะถ้ามีสติแล้วก็ไม่เป็นไรนะถ้าไม่มีสติก็ถือว่าทํำด้วยกิเลสด้วยความโลภด้วยตัณหาทั้งสิน้นะเราก็ต้อง รู้ตรงนี้ให้ชัดๆเพราะใ น, นการมาเที่ยวนี่ก็ได้ประโยชน์ก็คือประโยชน์ในการที่จะเห็นจิตใจที่มันเคลื่อนไหวไปในลมต่างๆได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเราก็เอาสิ่งเราเนี้ยมาให้ได้ประโยชน์ในการที่เราเที่ยวกันหรือในการมาศึกษาในตรงนี้นะผลการไปแต่ละแห่งก็จะมีประโยชน์มากเราก็จะเห็นถึงสภาวะที่ประเทศอันนี้เขาก็มีความ ประชาชนในใจค่อนข้างที่จะยากจนนิดนึงแต่เขาก็มีความสุขกันคิดว่าเขามีความสุขอยู่อ า, อาจจะที่ว่าบางประเทศที่มีความเจริญแล้วอันนั้นเขาก็อาจจะไม่มีความสุขจริงๆก็ได้เพราะความสุขมันเกิดจากจิตใจไม่ได้เกี่ยวกับสภาวะภายนอกอเราเราจะได้เข้ามาถึงความาชัดเจนในความสุขหรือความทุกข์ในตรงนี้ แล้วก็ตรงนี้ก็มีประวัติศาสตรนะ์ในการที่ลบพู่งมามากมายนะในอดีตที่มีคนตายกันมากมายนะเพราะนั้นเราก็ให้ตั้งใจแผ่เมตตาสูงสนไม่ว่าจะเป็นการทำวัดเช้านะหรือว่าเป็นในสถ า, านที่ต่งตางๆถ้าเมื่อมีเวลาไหวพักแล้วเนี่ยมีเวลาสักเล็กน้อยแล้วก็แผ่กุศลแผ่เมตตาอู้ที่ตัวตนไปให้กับดวงจิตวิญญาณทั้งหลาย ที่ยังอาจจะเวียนว่ายอยู่ในบริเวณนั้นเนื่องจากสุดสงคามมากมายเขาได้รับผลบุญที่เราได้ทำมาแล้วเนี่ยจะได้รับพลังแล้วก็ไปสู่พระภูมิที่ดีขึ้นนะแถมไม่ตายเข้าในจุดนั้นด้วยเขาจะได้มีความสุขมากขึ้นก็ขอพวกเราเจริยในธรรมดีไป